Thank mm -hmm. you. ได้พูดเรื่องความสุขวันนี้ก็พูดถึงสิ่งที่ตรงข้ามก็คือความทุกข์แนละพวกเราคงทราบดีแล้วว่าทุกข์นี่เป็นอริยสัจข้อแรกคือความจริงอันประเสริฐนะถ้ารู้เท่านี้ยังไม่พอนะว่าทุกข์คืออะไรรู้ต่อไปว่าความทุกข์นี่มัน เกิดจากอะไรถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยทุกข์มันก็มีสองอย่างเท่านั้นแหละคือทุกข์กายกับทุกข์ใจกายนี่ก็มีสาเหตุมากมายเมื่อกี้เราก็ได้สาธยายไปแล้วว่าทุกข์เนี่ยนะมีตั้งแต่ความเกิดก็เป็นทุกข์นะความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ ความแก่ความเจ็บความป่วยความตายนี่เป็นทุกข์ทางกายมันก็มีเหตุมากมายเฉพาะความป่วยอย่างเดียวนี่ก็อาจจะป่วยเพราะโรคอาจจะป่วยเพราะดินฟ้าอากาศอาจแปรปรวนอาจจะเจ็บเพราะอุบัติเหตุหรือมีคนมาทําร้ายรวมทั้งความหิวด้วย สาเหตุแห่งทุกทางการนี่มีเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าพูดถึงทุกทางใจแล้วเนี่ยสาเหตุถ้าจะกล่าวอย่างถึงที่สุดก็มีแค่ประการเดียวนะก็คือความยึดติดถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากความพัดพลาดเกิดจากความผิดหวังเกิดเมื่อมีคนมาตำหนิต่อว่าเกิดเมื่อ าการล้มหลวหรืออกหักแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมานี่เมื่อา้าไปถึงที่สุดก็คือความยึดติดในใจของเรายึดติดว่าอะไรนะยึดติดอย่างแรกคือยึดว่ายึดว่ามันเที่ยงหรืออยากให้มันเที่ยงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองความสัมพันธ์ตลอดจน ร่างกายนี้สาวก็อยากจะยึดให้ร่างนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดพอมันเริ่มแก่ผมเริ่มงอกผิวหนังเริ่มเหี่ยวย่นหน้าตกกระชัทงทั้งที่มันไม่ได้ทําให้ทุกข์กายแต่อย่างใดในแต่ใจนี่ทุกข์ละพอมันไม่ไเป็นไปอย่างที่ยึดอยากเอาไว้คืออยากให้มันเที่ยง ที่แค่มีสิวนี่ก็ทุกข์แล้วนะพุกอย่างหนักเลยก็เคยมีการสอบถามที่ประเทศอังกฤษนะคนที่มีสิวเนี่ยประมาณสิบเปอร์ซนกว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ยวายที่สุดนะที่เกิดขึ้นกับเขาแค่สิวเนียนนะมันกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ยวายที่สุดสําหรับเขาไปแล้วทั้งที่ในชีวิตนี้มันมันมีสิ่งเลวร้ยวายมากกว่านั้นอีกเยอะนะ แต่ว่าเพียงแค่ใบหน้าแปรเปลี่ยนไปมีสิวไม่กิ่เม็ดนี่มันก็ทำให้คนมีความทุกข์ทุกไม่ใช่เพราะสิวนะแต่ทุกเพราะความยึดติดว่าร่างกายหน้าตาเราต้องหมดจดเคยหมดจดอย่างไรก็ให้หมดจดอย่างนั้นไปเรื่อยๆหรือว่าทรัพย์สินเงินทองข้าวของสมบัต เวลาหายถึงไม่ถึงเป็นทุกข์นะไม่ใช่เพราะมีคนเอาไปนะแต่เป็นเพราะว่าความยึดติดว่ามันต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันอกหักหรือว่าแฟนทิ้งที่ทุกข์ก็เพราะว่าความยึดอยากให้มันเที่ยงให้มันคงอยู่ไปอย่างนั้นตลอดอันนี้ก็รวมถึงความพัดพลาคสูญเสีย สิ่งต่างๆด้วยลำพังในความพรพภาพสูญเสียไม่ทำให้เป็นทุกข์นนะแต่พอไปยึดเข้าว่ามันต้องเที่ยงมันต้องอยู่กับเราไปตลอดพอมันแปรเปลี่ยนไปก็ทุกข์เลยนอกจากยึดให้มันเที่ยงก็ยังมีความยึดเพราะายึดอยากให้มันสุขผู้คนก็ดิ้นรนขนาย เพื่อจะซื้อข้าของต่างๆมากมายเพราะหวังว่ามันจะให้ความสุขกับเราแต่พอซื้อมาแล้วใช้นิดหน่อยก็เริ่มเบื่อหรือบางทีไม่ทันใช้เลยแต่มันทิ้งไว้นานละความสุขที่เคยได้มันมาก็จืดจางอันนี้ก็ ไม่สบายไม่สบายใจอยากได้ใหม่การซื้อของใหม่อย่างที่พูดเมื่อวานนี้ก็เป็นการเพื่อลดทอนไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการที่รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มีมากมายนะันมันมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราละหรือว่าเวลาเข้าของทรพย์สมบัตรนะมันเสื่อมไปเสียไป รถเสียโทรศัพท์พังหรือหนักกว่า น, นั้นคือคอมพิวเตอร์ฮาต์ดิกเสียนี่บางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายนี้นะเราก็อยากจะให้มันเป็นสุขไปตลอดแต่พอมันเริ่มเจ็บเริ่มป่วย้วก็ทุกข์เลยจริงความเจ็บป่วยก็เป็นแค่ทุกข์กายนะแต่ทาไมทุกข์ใจก็พอดิอยากให้มันเป็นสุข จริงๆไม่ต้องแค่เจ็บป่วยนะแค่ความเมื่อยแค่นั้นแหละความเมื่อยความปวดเวลาเรานั่งนานๆเราก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อยมันก็เป็นอาการแค่กายนะเป็นความทุกข์ทางกายแต่ทำไมทุกข์ใจเพรลึกๆยึดอยากให้มันสบายมาวัดนะเจอยุงเจอแมลงนะต้องนอนกระดานนอนพื้น อันนี้ก็เป็นความไม่สะดวกสบายทางกายแต่ทำไมบางคนนี่ทุกข์ใจมากก็เพราะยึดอยากคาดหวังให้มันสุขให้สุขเหมือนบ้านไปกินร้านอาหารไปกินอาหารในร้านดังร้านหรูอาหารก็พอใช้ได้แต่ทำไมถึงทุกข์นีก็พอะความยึดอยากว่ามันต้องอร่อยกว่านี้เสียเงินไปเป็นร้อยเป็นพันรสชาติได้แค่ยังเหรอ รสชาแบบนี้เวลาไปกินที่ข้างถนนนะร้านแผงลอยแบกกระดิบก็เป็นสุขนะเออดีแต่พอรสชาติเดียวกันมากินในพัาคาลหรูๆนี่กลายเป็นทุกข์ไปเลยไม่พอใจ ท, ทั้งที่มันก็อร่อยแต่ว่าความยึดอยากว่ามันต้องอร่อยกว่านั้นหรือว่ายึดอยากว่ามันต้องอร่อยตามมาตรฐานก็เลยเป็นทุกข์ ไปเที่ยวตามที่ต่างๆไปรีสอร์ทก็น่าจะสบายดีแต่ก็เป็นทุกข์ไม่พอใจหงุดหงิดเพราะอะไรเพราะว่ายึดอยากว่ามันต้องดีกว่านี้สบายกว่านี้ให้ความทุกข์ใจเนี่ยเกิดขึ้นจากความยึดอยากให้มาเป็นสุขแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขไปได้เพราะทุกอย่างก็เจือไปได้ทุกข์ อย่างร่างกายเราเนี่ยมันเจอไปได้วยทุกตลอดเวลาที่เราก็เพิ่งสวด น, นะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกข์อย่างเอาแล้วความทุกข์มันอย่างอยู่ในกายของเราเจอตลอดเวลาเพียงแต่บางครั้งมันไม่แสดงออกใน ต, ตอนที่ไม่แสดงออกเราก็นึกว่าสุขแต่พออยู่ไปสักพักเอามันทุกข์ซะแล้วลองสังเกตดูเวลาเราค่อนคายอิรียบท เช่นเรายืนเดินเราเมื่อยแล้วเรานั่งดีกว่านั่งนี่ก็รู้สึกสบายใหมแต่พอนั่งไปสักครึ่งชั่วโมงไม่ว่านั่งในท่านไหนก็ตามมันเริ่มเมื่อยแล้วงั้นพิงเสาดีกว่าพิงเสาแล้วก็สบายแต่ว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรู้สึกเมื่อยแล้วไอ้ความเมื่อยเนี่ยคือทุกข์ที่มันแสดงออกมาที่จริงมันก็ อยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ปรากฏให้เด่นชัดพอเวลาผ่านไปมันเริ่มแสดงตัวชัดเจนเอ็นเสานี่เมื่อยนั้นนอนดีกว่านอนแล้วสบายแต่มีใครบางที่นอนแล้วสบายไปตลอดเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงก็ต้องขยับแล้วคืนหนึ่งคืนหนึ่งนี่เราขยับขณะที่นอนอยู่ไม่รู้กี่ครั้งทำไมต้งขยับ เพราะว่าเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเมื่อยความเมื่อยหรือความทุกข์นี่มันอยู่กับเราตลอดเวลาแลวที่เราทำตลอดเวลาก็คือเพื่อบรรเทาความทุกข์แต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นแหละเช่นเวลาเราหายใจเนี่ยลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิ ทีแรกหายใจเข้าก็สบายแต่พอหายใจเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสัก5วินาทีหรือ10วินาทีมันไม่ไหวแล้ะอึดอัดเครียดทํำยังไงก็ต้องหายใจออกตอนหายใจออกทีแรกสบายแต่พอหายใจออกไปเรื่อยๆนี่มันกลายเป็นทุกข์ที่จริงเนี่ยทุกข์มันอยู่กับเราทุกลมหายใจแต่ว่ามันจะแสดงออกให้เราเห็นชัดแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่ง ที่ไหลใจเข้ยใจออกนี่ก็เพื่อบรรเทาทุกข์ในร่างกายนี่ก็ถึงบอกว่ามันเต็มไปด้วยทุกข์แต่เราไม่รู้เราเพิ่อมเป็นสุขแล้วเราก็ยึดให้มันเป็นสุขไปตลอดความไม่สุขพรามันปวดมันเมื่อยมันทุกข์เนี่ยเราที่จึงเป็นแค่ทุกข์กายแต่ว่าพอยึดอยากให้มันสุขนี่ก็เลยทุกข์ใจไปด้วยเมื่อมันไม่สุขอย่างที่เราหวังเช่นเดียวกับความความเที่ยงเนี่ย ในสิ่งที่เรายึดอยากให้มันเที่ยงเนี่ยไม่ว่าแล้วก็ตามเนี่ยมันไม่เคยเที่ยงไปตลอดอย่างที่เราปรารถนาเลยแล้วพอมันไม่เที่ยงเราก็เลยเป็นทุกข์ก็นี่นอกจากยึดอยากว่าให้มันเที่ยงให้มันสุขแล้วก็ยังยึดอยากว่ามันเป็นของเรามันเป็นเราเป็นของเราความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่เนี่ยจะว่าไปแล้วคือ ตัวการสำคัญที่สุดเวลาข้าวของทรัพสมบัติมันเกิดเสื่อมไปเสียไปหรือหายไปถ้าเป็นของคนอื่นนี่เราไม่ทุกนะเงินเพื่อนถูกขโมยไปถูกโกงไปเออเราก็เห็นใจนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ได้ทุกมากเราปลอบใจเพื่อนด้ซ้ำเาเงินทองเป็นของนอกกายแต่พอเงินของเราหายสิ ที่น้อยกว่านั้นแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นอ้เราทุกข์เลยไอ้ที่แนะนําเพื่อนเอาเงินทองเป็นของนอกกายนี่มันไม่ไม่ซึมซับเข้าไปในหัวเลยเวลาเพื่อนถูกแฟนทิ้งอกหักนะั่นเราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเราก็บอกเพื่อนว่าอกหักดีกว่ารักไม่เป็นหรือว่าทําใจเธอหาคนใหม่ดีกว่าแต่พอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเรานี่มันทุกข์เลย ทุกมากไอ้ที่แนะนำเพื่อนนี่เอามาใช่กับตัวยังไม่ได้เลยเพราะอะไรมนาะเพราะว่าตอนที่เกิดกับเพื่อนนะ้นมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เงินของเราไม่ใช่แฟนของเราแต่พอมันเกิดกับสิ่งที่เรายึดเป็นของเรานี่ทุกเลยไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าร่างกาย เวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่เจ็บป่วยเราบอกทําใจนะความเจ็บความป่วยเป็นธรรมดาแต่พอเราเจ็บป่วยเองบ้า ง, างนี่มันไม่ธรรมดามันทุกข์มากเพราะอะไรเพราะเราไปยึดว่า น, นี้ร่างของเรากายของเรามีความตายมีความสูญเสียที่ประเทศจีนพราแผ่นดินไหวตายกันเป็นแสนที่อิหร่านตายกันเป็นหมื่น ทีเรียนี้ฆ่ากันเป็นเบือตายเป็นหมื่นแล้วเราฟังก็เฉยเฉยแต่เพียงแค่ได้ข่าวว่าเพื่อนเราป่วยหนักญาติเราหลานเราเป็นมะเร็งเรากินไม่ได้นอนไม่หลับอ้ราะอะเพราะว่าไอ้ที่ตายในจนีในอิรานนั้นไม่ใช่ญาติของเราเพื่อนของเราที่ตายในอีซเรียก็ไม่รู้ใครแต่ว่า พอมันเกิดกับล้านของเราเกิดกับเพื่อนของเรานี่ทุกเพราะความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ขนาดยังไม่ถึงกับเกิดกับลูกเกิดกับพ่อกับแม่พี่น้องนะไอ้ความทยึด่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนั่นะมันเป็นตัวการของความทุกข์ทั้งมวลเลยทั้ง ท, งที่มันไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเป็นของเราเลยแม้แต่ร่างกายนี้ ถ้ามันเป็นของเราเราก็สั่งมันได้ว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าแก่อย่าเมื่อยแต่เราสั่งได้ไหมใจก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ของเราเพราะถ้าเป็นของเราเราก็สั่งได้ว่าเอออย่าเครียดอย่าเบื่อย่าเซ็งอย่าโกรธอย่าเศร้าเสียใจอย่าฟุ้งซ่านมันก็สั่งไม่ได้แม้แต่จะคิด แม้แต่จะนึกหรือคาดเดาว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรหรือสั่งให้มันไม่คิดในตลอดนาทีนี้ก็สั่งไม่ได้เพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยแต่พอเรายึดว่าเป็นของเราเราก็เลยทุกข์และสิ่งที่เรายึดเป็นของเรานี่มันไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ ให้ความสุขกับเรานะสิ่งที่ไม่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราสิ่งที่ไม่ชอบเราก็ยึดนะเช่นความโกรธความเจ็บเนี่ยความปวดความเศร้าเกิดขึ้นกับใครไม่มีใครชอบหรอกแต่กลับไปยึดเอาไว้ยึดว่าความโกรธของกูนะความทุกข์ของกูความเจ็บของกู ยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราเวลากายปวดเวลานิ้วเจ็บนี่ใครบางที่เห็นหรือมองว่ากายปวดนิ้วเจ็บส่วนใหญ่ก็มองว่าฉันปวดฉันเจ็บไปเอาความปวดที่กายความปวดที่นี่มาเป็นของฉันมาเป็นตัวฉันต่างกันมากนะระหว่างการเห็นว่าฉันเจ็บฉันปวด กับการเห็นว่าเออกายมันปวดหรือนิ้วมันเจ็บสิ่งที่ต่างก็คือว่าตอนแรกนี่มันเป็นเรื่องการที่ว่าเป็นเราเป็นของเราความปวดเกิดขึ้นในใจความเศร้าเกิดขึ้นในใจนี่ถ้าเพียงแค่เห็นว่ามันเกิดขึ้นในใจนี่มันไม่เท่าไหร่นะแต่พอไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราว่าฉันโกรธฉันเจ็บฉันเครียดอันนี้ทุกเลย จริงๆความยึดมันก็แสดงอาการออกมาในอีกลักษณะที่ง่ายๆกว่านั้นเช่นเวลาเราโกรธใครก็จะยึดก็จะคิดถึงคนที่เราโกรธอยู่ตลอดเวลากินก็คิดนอนก็คิดเข้าห้องน้ำก็คิด น, นี่ก็เรียกว่าความยึดทั้งๆ ท, ที่น่าจะปล่อยมากกว่าความเกลียดมันเกิดขึ้นใครก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ทำไมเรายึดเอาไว้ ยิ่งเกียดใครก็ยิ่งคิดถึงคนนั้นความสูญเสียพัดพรากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเราผ่านไปเป็นปีแล้วก็ยังเก็บเอามาคิดคิดแล้วคิดอีกนี่ก็เรียกว่ายึดซั้งที่ตอนนี้ก็สบายดีอยู่แล้วแต่ก็ยังยึดยังนึกถึงเหตุการณ์เหตุร้ายนึกถึงคาที่เขาต่อว่าด่าทอเรา และส่วนใหญ่การยึดของเรานะมันเป็นการยึดที่สวนทางกับความจริงเพราะกระแสความจริงนะั้นมันไหลเลื่อนแปรเปลี่ยนไปเสมอมันไม่มีอะไรที่เป็นสุขอย่างแท้จริงมันเจอไปได้วยทุกข์และไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยง้นทำไมอยากทุกข์นะก็ต้องเรียนรู้การปล่อยวางทุกปเพราะยึดนะเมื่อปล่อย ก็เป็นสุขหลวงพ่อชาท่านพูดไว้นั่นเขียนไว้ดีบอกว่าทุกมีเพราะยึดทุกยึดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยทุกมีเพราะยึดนะทุกหลุดเพราะปล่อยด้วยเหตุนี้เนี่ยนะคำสอนของพรพทองค์เนี่ยนะถึงเน้นเรื่องการปล่อย อย่างที่พูดไว้เมื่อวานเนี่ยความสุขในพุทธศาสนาเกิดจากการละเกิดจากการสละเราฝึกให้รู้จักปล่อยด้วยการให้ทานเป็นเบื้องต้นแลังจากนั้นก็ภาวนาภาวนาเช่นการเจริญสติการแผ่เมตตาการเจริญสตินี่มันช่วยมากนะมันทําให้เราได้ได้เรียนรู้วิธีการปล่อยปล่อยวางอารมณ์ ทานนี่เป็นการฝึกปล่อยวางทรัพย์สมบัตินอกตัวแต่บางคนให้ทานไม่เป็นนะยิ่งให้ยิ่งยึดปู้าสอนวัฒทานนี่เป็นเครื่องกำจัดความตนี่แต่หลายคนนี่ให้ทานเพราะอยากได้อยากเอามากขึ้นถวายสิบอยากได้ร้อยบริจาคร้อยอยากได้ล้านบริจาคพันอยากได้30สล้าน อันนี้มันไม่ใช่เป็นเครื่องกําจัดความตําหนีหรือว่าละความโลภละยิ่งทํายิ่งยึดยิ่งยากอยากได้มากไปยึดอยากว่าเงนินทองนี่เป็นความสุขคิดว่าถ้ามีมากจะมีความสุขมากขึ้นก็เลยทําบุญแต่เป็นการทําบุญด้วยใจที่วางไว้ผิดมันก็ไม่ใช่เกิดการละไม่ได้เกิดการปล่อยวางกลับมีการยึดมากขึ้นนี่ต้องทําบุญให้ถูกนะ ทำบุญเพื่อละเพื่อวางไม่ใช่เพื่อเอาการเจริญสติก็เหมือนกันถ้าเจริญสติเพื่อจะเอาบางคนปฏิบัติภาวนาเพื่อจะเอาจะเอาความสงบการที่จะเรียนรู้การปล่อยวางยิ่งถ้าเจริญสติแล้วก็จะเราเห็นรู้ทันความคิดก็จะวางได้ได้ง่ายได้เร็วไม่ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็ไม่เอา แค่รู้เฉยเรู้แล้วมันก็จะวางเองไม่ใช่ว่าคิดดีเอาคิดชั่วไม่เอานะไม่ใช่นะคิดดีก็ไม่เอาคิดชั่วก็ไม่เอาสุขเวทนาก็ไม่เอาทุกขเวทนาก็ไม่เอาทำแค่เห็นเฉยเฉยเห็นหรือรู้นะอย่างที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเกียนสอนรู้เฉยเรู้ซื่อคือว่ารู้โดยที่ไม่ไปแทรกแสง ไม่ไปเอาไม่ไปคลอเคลียหรือไม่ไปยึดแล้วก็ไม่ผลักไสไม่ผลักไสไม่ไขวยคว้าผู้เฉยเฉยอันนี้แหละก็จะทำให้วางความคิดและอารมณ์ได้เร็วเราสามารถเรียนรู้จากกาันเราเรียนรู้เรื่องการวางได้จากประสบการณ์ชีวิตด้วยนะหลายคนนี่เขาอาจจะไม่ได้ เขาวัดปฏิบัติธรรมแต่ว่าเขาเรียนรู้จากประสบการณ์เรียนรู้จากอะไรเรียนรู้จากความทุกข์เรียนรู้ว่าถ้าไอ้ทุกข์นี่พยุ์ต้องปล่อยในี่ถึงจะสบายอย่างผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนมีฐานะร่ำรวยแล้วก็ถือตัวว่าเป็นคนเก่งก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างดูถูกคน แล้วก็ขณะเดียวกันก็เอาใจตัวตามวิสัยคนมีเงินที่มีฐานะชุนเฉียวง่ายอะไรไม่ถูกใจก็โกรธโมโหแล้วในสุดก็เกิด เ, เซลล์ในสมองแตกเพราะนิสัยใจคอเป็นอย่างนั้นก็ทำให้นิเซลล์ในสมองแตกเป็นอมาาัมพาตครึ่งซีแกก็ทุกข์มาก จากคนที่เคยไปเที่ยวไปไหนได้นะก็ทําอะไรไม่ได้ต้องนอนก็มีความทุกข์มากนะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจไอ้ระหว่างที่ป่วยนี่ก็เลยได้เห็นความจริงว่าเงินทองสถานภาพมันช่วยอะไรไม่ได้เลยมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยทําให้เป็นสุขได้ แล้วยิ่งนึกถึงความตายก็เห็นชัดว่าไอ้ hey, สมบัติเหล่านี้เอาไปไม่ได้เลยก็เริ่มปล่อยนะเริ่มวางที่แรกก็วางเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติรวมทั้งความถือเนื้อถือตัวมัก็ปล่อยตอนหลังก็มาเห็นนึกว่าในเมื่อมันใกล้จะตายแล้วนะจะอยู่ได้ไม่นานนะก็อยู่ให้อย่างมีความสุขดีกว่า ก็เลยคลายความคลายความเครียดคลายความยึดมั่นลงอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเวลาหมอมาแนะนำเขาก็ทาตามหมอไม่เถียงหมอว่าอไรก็ว่ากันทำตามที่หมอแนะนำโดยที่ไม่ได้หวังว่ามันจะหายหรือไม่หายทำแล้วสบายก็ทำพอเขาเริ่มปล่อยเริ่มวาง บอว่าอาการก็ดีขึ้นและในสุดเนี่ยเขาก็ร่างกายเขาก็ฟื้นนะกลับมาเกือบเป็นปกติเดินเหินมาไหนได้พูดคุยได้ตามปกติแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้คือนิสัยเขาเปลี่ยนก็คือว่าความอวดตัวถือตอนนี่ก็คลายลงกลายเป็นคนที่ผ่อนคลายแล้วก็ เป็นกันในกับเพื่อนมากขึ้นแต่ก่อนวางกล้ามวางฟอร์มตอนหลังปล่อยวางสบายชีวิตเขาก็เป็นสุขมากขึ้นสุขภาพดีจิตใจก็ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องคนที่เขาเรียนรู้จักความความทุกข์ของตัวเองแล้วก็รู้ว่าถ้ายึดเนี่ยมันเครียดเป็นทุกข์ถ้าวางเมื่อไหร่ก็สบายสบายทั้งกาย คือร่างกายก็ฟื้นเป็นปกติสบายทั้งใจแต่คนเราไม่เป็นต้องรอให้ความทุกมาสอนก็ได้นะบางคนเจอความทุกเท่าไหร่ก็ยังไม่เรียนรู้เอาแต่ทุกอยู่นั่นแหละทุกทั้งกายทุกทั้งใจมันมีไม่กี่คนนะที่เรียกว่าจะรู้จักเยนรู้จักความทุกทางที่ดี ก่อนที่ความทุกข์จะเกิดเช่นก่อนที่ความเจ็บความป่วยจะเกิดก่อนที่ความพัดพรากจะเกิดกับเราเรามาเตรียมตัวก่อนก็คือมาปฏิบัตินี่แหละการที่เรามาฝึกเจริญสติเพื่อที่จะได้เห็นได้รู้ทันความคิดมันไม่เพียงแต่ทําให้เราปล่อยวางความคิดความความยึดความอยากลงเท่านั้นนะ ไม่เป็นกระตุ้ยทำให้เราปล่อยวางความคิดแต่มันทำให้เราเห็นว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยเพราะยึดเพราะอยากตอนเรานี่ทุกข์เพราะความยึดความอยากที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ทุกข์เพราะดินฟ้ากะไม่ใช่ทุกข์เพราะคําพูดของเพื่อนนะไม่ใช่เพราะว่าเงินหายหรือว่าของเสียแต่เ พ, เพราะความยึดความอยากในใจเริ่มจากการที่ คิดถึงมันทั้งที่มันผ่านไปแล้วก็ยังคิดถึงมันไม่ว่าจะเป็นของรักของห่วงที่สูญเสียไปหรือสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นก็เก็บเอามาคิดแค่คิดก็เป็นทุกข์แล้วแต่พอป่อยวางได้มันก็สบายต่อมาก็จะเห็นมากขึ้นชัดขึ้นมาอ้อ ที่ทุงนี่พอเราไปยึดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเรายึดตะพึดตะพื้เลยนะโดยเพราะกายกับใจเนี้มันมีแต่ตัวเราตลอดเวลามันมีแต่ตัวเราทำโน่นทํานี่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราที่ทำโน่นทํานี่มันมีแต่กายกับใจที่ทําไม่ใช่เราที่เดินนี่กายมันเดินไม่ใช่เราเดิน ไอ้ที่คิดมันเป็นใจที่คิดไม่ใช่เราคิดที่เจ็บที่ปวดที่เมื่อยนี่มันเป็นกายเจ็บกายปวดกายเมื่อยไม่ใช่เราเจ็บเราปวดเราเมื่อยที่โกรธนี่ไม่ใช่เราโกรธมันเป็นใจที่โกรธหรือความโกรธเกิดขึ้นที่ใจเมื่อมีสติก็จะเห็นแบบนี้ไอ้ความเป็นเราทำโน่นทำ น, ôn, ทำนี่เป็นโน่นเป็นนี่ก็จะค่อยๆหายไปจะคิดว่าเราทำโน่นเราเป็นนี่นี่ทุกข์นะ แต่พอไม่เห็นไม่ไปเห็นตะพึ้ตะพื้พว่าเป็นเราแต่เห็นแค่กายกับใจเห็นว่ามันมีแต่กายกับใจมีแต่กายทำนั่นจิตทำนี่ให้ความทุกข์มันก็จะคลายไปเยอะเลยเราโกรธนะจะเห็นความโกรธที่ใจต่างกันนะเราเครียดจะเห็นความเครียดที่ใจมันต่างกันเราปวดต่เห็น กับเห็นความปวดที่กายเราเมื่อยกัเห็นความเมื่อยที่กายนี่มันต่างอันนี้ก็เริ่มเรียกปล่อยวางแล้วความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันเริ่มคลายแล้วเพราะเห็นความจริงไงว่ามันไม่มีเรามันมีแต่กายกระจายรูปกับนามเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋มันไม่มีอะไรที่เที่ยง ม, มีอะไรที่เป็นสุขไม่มีอะไรที่เป็นเป็นตัวเราของเราเลยไม่แต่อย่างเดียว สิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์นะก็จะปรากฏแก่เรามากขึ้นไอความวิความอยากว่าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือสิ่งทั้งปวงเที่ยงเป็นสุขเป็นของเราเป็นเราก็จะคลายไปอันนี้ก็เรียกว่าปล่อยวางเพราะมีปัญญาเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้ไม่มีอะไรที่เป็นสุขอย่างแท้จริงหรือไม่มีอะไรที่เป็น เราเป็นของเราที่เรียกอนัตตาเลยทีรีาอัตตามันเป็นแต่อนัตตาล้วนๆอันนี้จังทุกขอ์งอนัตตาที่เกิดจากการได้เห็นความจริงโดยมีสติเป็นเป็นเครื่องมือเนี่ยนะมันสําคัญมากที่ทําให้เกิดการสละเกิดการปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงแลนะเมื่อปล่อยวางแล้วทุกข์ก็หายไปมีแต่ความสุขมาแทนที่ เป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการมีนะการได้การเสดนะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการละเป็นสุขคนละแบบนะกับที่ชาวโลกเขาปรารถนาสุขแบบนี้มั น, มนเหนือสุขที่คนทั่วไปรู้จักเป็นสุขที่อยู่เหนือโลกเล้วโลกุตระโลกนี้มาถึงโลกธรรมก็ไดนะ้เพราะฉะนั้นนี่ก็ ให้เรานะลองหมั่นทำเ ข, าเข้าใจนะว่าไอ้ทุกนี่คืออะไรและสาเหตุแห่งทุกที่แท้จริงคืออะไรและมันช่วยนำทางให้เราพาจิตพาใจพาชีวิตของเราได้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงได้